โคสราชมานบถามปัญหาพระพุทธเจ้าวงเล็บเปิด8เมษายน2550ในวงเล็บสองจุดจุดนาที39วงเล็บปิดเคยมีคนหนึ่งชื่อโคสราชเป็นลูกศิษย์พรามภาวรีพรามภาวรีนี่เป็นพราหมใหญ่สมัยพุทธกาลมีลูกศิษย์เอกอยู่16คน ทีนี้พอภาวรีได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วก็เลยส่งลูกศิษย์สิหคนไปศึกษาธรรมะจากพระพุทธเจ้านี่เป็นน้ำใจของครูบาอาจารย์นะไม่ได้กีดกันห่วงแหนเอาลูกศิษย์ไว้เลยพอรู้ว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วนะส่งไปเลยสิบหท่านบอกให้ไปถามปัญหากับพระพุทธเจ้ามีรูปหนึ่งถ้าตามอาวุโสจะเป็นประมาณอันดับสามพอรูปที่หนึ่งถามรูปที่สองถามก็ถึงท่านโคสราชถามบ้าง ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชจึงจะไม่เห็นพระพุทธเจ้าไม่ตอบท่านก็รอต่อไปเดี๋ยวคนอื่นถามอีกนะท่านก็คอยถามแทรกพระพุทธเจ้าก็ไม่ตอบนะจนถึงระดับรองโลเลยท่านโคสราชก็บอกว่าผมถามมาสองครั้งนี่ครั้งที่สามแล้วขอให้พระองค์ช่วยบอกหน่อยเถิดว่าบุคคลเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชจึงมองไม่เห็นพระพุทธเจ้าจึงบอกดูก่อนโคสราช บุคคลเห็นโลกว่างเปล่าว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนนะมัจุราชจะมองไม่เห็นทีนี้เราจะไปเห็นโลกว่างเปล่าเองไม่ได้นะโมเมเอาเองไม่ได้ต้องเห็นโลกตามความเป็นจริงก่อนตามที่เห็นก่อนเห็นแล้วก็รู้ไปจิตใจเป็นอย่างไรกายเราเป็นอย่างไรคำว่าในเครื่องหมายคำพูดโลกไม่ใช่สิ่งอื่นนะคาว่าโลกไม่ได้แปลว่าโลกข้างนอกนี้นะคาว่าโลกในศาสนาพุทธคือขันห้านี้เอง คือรูปกับนามคือกายกับใจเรานี่เองที่เรียกว่าโลกเลยมีคําว่าโลกนี้ยาววานาคืบกว้างศอกผู้ใดเห็นโลกว่างเปล่าคือเห็นกายกับใจนี้ว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนนะมะจุราชจะไม่เห็นเพราะอะไรเพราะมะจุราชเห็นได้แค่ธาตุแค่ขันสิ่งที่มันตายไปคือธาตุคือขันคือกายคือใจนี้มันตายไปแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์หลุดพ้นล้วนๆ น, นี้ไม่เกิดไม่ตายมจุราชมองไม่เห็นนะ เหมือนมีพระรูปหนึ่งท่านตายไปมานก็รีบหาใหญ่เหมือนพายุหมุนลูกเล็กๆวิ่งไปวิ่งมาพระก็ถามพระพุทธเจ้าว่าพายุหมุนนี่แปลกๆเกิดจากอะไรท่านก็บอกว่ามานกำลังเที่ยวตามหาจิตของพระรูปที่มรณภาพไปแต่มานหาไม่พบพราะท่านนิพพานแล้วถ้าเมื่อใดเราปล่อยความยึดถือกายยึดถือใจนะกายกับใจมันก็ตายของมันไปเราไม่ตายด้วย ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ล้วนๆไม่เกิดไม่ตายศึกษาเอานะค่อยๆเรียนไปค่อยๆรู้ไปถ้าเราฟังธรรมะด้วยใจที่เปิดกว้างธรรมะก็เข้าสู่ใจง่ายไม่ฝืดไม่ฝืนคนแสดงธรรมก็ไม่เหนื่อยอย่างลุงปู่ม่านท่านสอนลูกศิษย์ท่านท่านเทศทีหนึ่งหลายชั่วโมงทําไมอายุเยอะถึงเทศได้เพราะลูกศิษย์ท่านไม่ต้านธรรมะธรรมะก็ไหลออกมาเองถ้าใจต้านธรรมะนะธรรมะก็หนีไปหมดเลย